สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่ห้าสิบเจ็ดนะครับนาเชเลตตอนที่สองครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องราวที่พระเยซูนั้นทรงเติบใหญ่ที่นาเชเลตนะครับและในที่สุดพระเยซูก็กลับมาที่ธรรมศาลาแต่ว่านาเชเลตนั้นไม่ได้ต้อนรับไม่ได้ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ครับผู้เผยพระเจชนะไม่ได้รับการต้อนรับหรือยอมรับในเมืองของตนพี่น้องครับ มีประเด็นหนึ่งครับที่ผมไม่อยากจะข้ามไปนะครับหลายๆท่านอาจจะมีความคิดว่าธรรยอาจารย์พูดวกวนเวียนไปเวียนมานะครับเ<ส>พราะนั้นครับผมอยากจะเปรียบเทียบ ว, ว่าพราะเจนะของประเจ้านั้นเปรียบเสมือนกับการที่เราจะเข้าใจพระเจ้านั้นจะต้องมีการคิดให้ควรภาวนาพระธรรมของพระองค์อยู่เสมอครับมีอาจารย์ของผมท่านหนึ่งบอกว่าการที่เราจะเข้าใจพระเจนะของพระเจ้านั้นเราจะต้องทําตัวเหมือนกับวัวครับ ถามว่าทํำไมต้องทําตัวเหมือนกับวัวครับเพราะว่าวัวนั้นเคี้ยวเอื้องนะครับวัวนั้นมีหลายกระเพาะครับเวลาที่เขาได้หญ้านะครับเขาก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวนะครับแล้วเขาก็รีบเกินเข้าไปแต่เวลาที่เขาว่างๆเขาจะต้องสํารอกนะครับทำรอกหญ้าที่เขากินอยู่นั้นแล้วก็มาเคี้ยวใหม่เคี้ยวนะครับให้มันเกิดสุนทรียภาพเกิดความเข้าใจเกิดความเชื่อ นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านพระเจนะของพระเจ้าและศึกษาพระเจนะของพระเจ้านั้นแบบัวเคี่ยวเอื้องนะครับเราจะต้องให้ควนพระนะของพระเจ้านะครับเราจ้องคิดไปคิดมานะครับคิดไปคิดมาคิดแบบวนเวียนในพระเจนะของพระเจ้าเพื่อที่เราจะดื่มดมนะครับในสุนทรียภาพในความรักของพระเจ้าในพระปัญญาของพระเจ้าเรายิ่งคิดนะครับแล้วก็เหมือนกับเรายิ่งเคี่ยวเอื้องครับเราจะได้สิ่งดีจากพระเจ้นะของพระเจ้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา น้องครับโพธิ์จนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่ผมไม่อยากข้ามไปก็คือพริ์จนะพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมอิสยาห์ที่หกสิบเอ็ดนะครับข้อที่หนึ่งและข้อที่2เปรียบเทียบกับลูกาบทที่สี่นะครับข้อสิบแปดสิบเก้านั่นเองเพื่นอนครับเมื่อวานนี้นะครับหลายหลยคนก็อาจจะมีความรูสึกว่าเอ๊ะ ท, ทำไมพระเยซูจะต้องหยุดและผมจะต้องอธิบายว่าพระเยซูจะต้องหยุดอ่านกลางข้อหกสิบเอ็ด นะครับในพระธรรมอิสยาห์ซึ่งบันทึกอยู่ในลูกาบทที่สี่ข้อสิบแปดสิบเก้านะครับเรามาดูกันครับพระเยซูบัน อ, อ่านนะครับในบันทึกอิสยาห์หกสิบเอ็ดนั้นพ่านพระเยซูอ่านกลางข้ อ, อยังไงครับจริงๆแล้วถ้าเปิดในโต๊ะจะนาพระเจ้านะครับหกสิบเอ็ดนะครับของพระธรรมอิสยาห์เราจะพบว่าพระเยซูอ่านแค่ครึ่งข้อจริงๆครับในข้อที่สองพระเยซูอ่านว่าอย่างนี้นครับบอกว่าพระองค์ได้ทรงใช้ขพระเจ้าให้ร้องประกาศสภาพแก่มนุษย์เฉลยให้ประกาศ แก่คนตาบอดก็จะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ถูกบีบังคับเป็นอิสระและให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจา้านะครับสิ่งที่หายไปก็คืออะไรครับเพี้ยงการพิพากษานะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่านี่คือสิ่งที่พระเยซู ก, กําลังพยากรณ์นะครับกําลังบอกว่าพระองค์เป็นใครในเรื่องกัรนะครับพระองค์ก็รู้ว่าภารกิจของพระองค์ในการมาครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรก ก็คือการเสด็จขึ้นไปบนไม้แหงเขียนนะครับเป็นการช่วยกู้โลกให้รอดเป็นการประกาศเปลี่ยนความปวดปานของพระเจ้าเปลี่ยนความโปวดปานก็คือปีแห่งพระคุณเปลี่ยนความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นะครับยังไม่ใช่เป็นปีแห่งการแก้แค้นครับเพราะปีแห่งการแก้แค้นที่เบียสูยังไม่ได้อ่านนะครับเบียสูก็อ่านแค่ครึ่งคอแล้วก็ม้วนหนังสือกลับไปจงคืนไปนะครับแต่ปีแห่งการแก้แค้นคือปีแห่งการพิพากษาครับซึ่งยังมาไม่ถึง แต่จะมาถึงก็ต่อเมื่อพระเยซูเสด็จมาเป็นครั้งที่สองนะครับก็จะมาเพื่อที่จะมาพิพากษาโลกนี้พี่น้องครับเราจะเห็นชัดเจนครับนี่คือสิ่งอศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเป็นการสังเกตของนักวิชาการคนที่รักพระเจ้าทั้งหลายได้ทําให้เราเห็นว่าพระเยซูกําลังบอกว่าพระเยซูมาครั้งนี้มาแค่ครึ่งข้อท่านเองก็คือประกาศเปยียงความโปรดปานของพระเจ้าโดยมีมิชชั่นมีภารกิจที่พระเจ้าได้ส่งพระองค์มาเพื่อที่จะสิ้นพระชน เป็นการประกาศยุคแห่งพระคุณครับเป็นการประกาศยุคแห่งพระคุณคือยุคแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าที่มีต่อคนที่เชื่อในพระเยซูครับพี่น้องคนที่เชื่อในพระเยซูเขาจะได้รับความโปรดปรานของพระเจ้าเขาจะเข้าสู่ยุคแห่งพระคุณเขาจะอยู่ในปีหรือว่าเปรวาระแห่งการโปรดปรานของพระเจ้านั่นคือความรอดด้วยความเชื่อครับ พี่น้องครับเราอยู่ในปีแห่งความโปรดปานของพระเจ้าเราอยู่ในยุคของพระคุณนะครับเราอยู่ในปีแห่งความโปรดปานคือปีแห่งพระคุณวาระแห่งการทรงโปรดของพระเจ้าก็คือความรอดได้รับโดยความเชื่อครับพี่น้องแต่เมื่อหมดเวลาหมดวาระแล้วนะครับก็คือจะเป็นการปีแห่งการแก้แค้นเป็นปีแห่งการพิพากษาครับเป็นวาระแห่งการลงโทษพิพากษา พี่นะับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่เราได้รับจากโพสนะพระเจ้าตอนนี้ครับอันนี้เป็นความอัศจรรย์มากผมอยากจะเป็นพยานสั้นๆนะครับว่าเมื่อครั้งแรกที่ผมพบกับความอัศจรรย์ของพระกมพีตอนนี้ทําให้ผมยิ่งเชื่อลึกซึ้งมากขึ้นว่าพราะคณะของพระเจ้าทุกคําทุกตอนได้รับกันดลใจจากพระเจ้าครับเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนการว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขทำให้กชนของพระองค์ให้ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าชีว e ิตของเราหากเราใกล้พระวจนะของพระเจ้านะครับชีวิตของเราจะบริสุทธิ์และสวยงามครับใกล้สิ่งใดเราก็จะเหมือนอย่างนั้นใกล้พระเจ้าเราก็เหมือนพระเจ้าใกล้พระวจนะของพระเจ้าเราก็จะพบกับสิ่งที่ดีที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าถูกน้องครับพระเจ้าพระเยซูนะครับพระเจ้าส่งพระเยซูมาเพื่อจะให้เราประจักษ์ประักษ์เรื่องอะไรครับประจักษ์เรื่องที่ว่าพระเยซูนั้นสามารถที่เราจะได้ยินได้เพื่อเรามีความเชื่อในสมัยนี้เราไม่เห็นพระเยซูแล้วนะครับ แต่เรามีตัวแทนของพระเจ้าอยู่หรือตัวแทนของพระเยซูนั่นคือคำสัตยของพระองค์ที่บันทึกในพระคัมภีร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านเราก็จะเกิดความเชื่อเมื่อเราอ่านเรามีความเชื่อเท่ากับเราได้พบกับพระเจ้าเราได้เห็นพระเยซูเราได้ยินเสียงพระเยซูด้วยตาของเราด้วยประสาทสัมผัสทั้งกายของเราทางกายของเราแต่ด้วยความเชื่อเราจะเห็นพระเจ้าด้วยความเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยความเชื่อเราจะมีชัยชนะในชีวิตของเรา คือน้องครับพระเยซูตรัสถึงตัวพระองค์เองโดยอ่านพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ส่งสัญญาไว้จริงๆเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ส่งส่งพระองค์มาเพื่อที่จะเป็นพระผู้ช่วยรอดของเราจริงๆคือน้อครับเรามีความเชื่อเรามีความไว้วางใจในพระเยซูหรือไม่เรามีความเชื่อว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าเรามีความเชื่อว่าพระเยซูนั้นเป็นเท้าช่วยให้รอดจริงๆหรือเปล่า เรามีความเชื่อว่าพระเยซูนั้นเป็นสหายของเราทรงอยู่ข้างเราและทรงอยู่ในเราจริงๆหรือเปล่าพี่น้องครับนี่เป็นเหตุที่ทําให้เราทั้งหลายจะต้องเข้าเฝ้าพราะองค์ในทุกๆเช้านะครับพี่น้องครับเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะอ่านพระชนน์ของพระเจ้าและเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกๆเช้าไม่เพียงแต่ท่านจะเปิดฟังเท่านั้นนะครับผมอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสอธิษฐานส่วนตัวเมื่อท่านฟังท่านจะตอบสนองอย่างไรต่อสิ่งที่ท่านฟังและ สิ่งที่จําเป็นที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าท่านต้องอ่านพระของเจ้าด้วยนะครับอย่าแต่ฟังอย่างเดียวนะครับพี่น้องครับต้องอ่านโพ ร, ขขระเจ้าและเปิดพระเจ้าตามไปนะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะได้ยินได้ฟังและเราจะมีความเชื่อครับหลายหคนนะครับเครียดนะครับหลายหคนเนี่ยเกิดความลําบากบามากหมายมีปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมมีปัญหาเรื่องของกระเพาะลําไส้นะครับอาจารย์ของผมท่านหนึ่งโทรศัพท์มาด้วยความเป็นห่วงท่านบอกว่า อ่านขั้นคำพีคุณจะหายเครียดอ่านขั้นคมพีลําไส้คุณจะดีขึ้นอ่านขั้นคำพีสุขภาพของคุณจะดีขึ้นนั่เป็นความเชื่อครับและเมื่อผมอ่านขั้นคมพีเมื่อผมมีเวลาให้กับพระเจ้ามากขึ้นแน่แน่นอนครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่ผมเป็นก็เริ่มคลายตัวลงเริ่มหายไปนี่คือสิ่งที่ได้รับในชีวิตของผมจึงอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะมีประสบการณ์ความเชื่อของท่านเองกับองค์พระเป็นเจ้าของเราด้วยเช่นเดียวกัน อ่าเมน